เรื่องพุทธธรรมนายความฝันที่เป็นจริงตอนที่สามโดยพระอาจารย์สมภ พ, พโชติปัญโยไม่กี่คนถ้ามีคนร่ำรวยสักสองร้อยสามร้อยคนในจำนวนคนห้าสิบห้าล้านคนเนี้ยแต่คนยากคนจนมันมากกว่าห้าสิบล้านกว่าคนทั้งหมดนี้แหละที่เรียกว่าให้เงล่นให้หน่อยสี่บอเต็ม ซึ่งความฝันข้อนี้พระเจากปอร์เซนที่กอ่อสก็ได้ฝันหลากหลากม า, ก า, ก า, ก ต, าต่างๆนานาเลยล่ะก็แปลกประหลาดใจโยกก็เลยได้มาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็แก้อย่างนี้เดียวนี้เรากําลังพูดถึงความเป็นนิรัฐบาลเองก็พยายามที่จะโฆษณาวา่าในนิเศรษฐกิจของประเทศชาติของเราเนี่ยไปรอดเลยแต่ถ้าเรามองดูลักษณะทั่วๆไปของประชาชนชาวบ้านโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ย เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคนที่มีความทุกข์ยากลำบากเพราะเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านเส็จเด็กหนุ่มเด็กสาวชาวอีสานเนี่ยเกือบจะไม่มีใครอยู่บ้านอยู่ช่องปล่อยให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่ออวี้แม่อวี้พ่อโซนแม่ซ้นทั้งหลายเนี่ยเฝ้าบ้านเลี้ยงัวเลี้ยงควายเฝ้าไร่เฝ้านาส่วนเด็กหนุ่มเด็กสาวก็หลังหลายไปที่มีโรงงานอุตสาหกรรมการพัฒนาชิ้นที่เกิดช่องว่างก้าวกระโดด ในกรุงเทพจึงเต็มไปด้วยแหล่งที่เรียกว่าสลัมสลัมทั้งหลายในกรุงเทพนั้นแหละคือแหล่งของชุมนุมชนชาวชนบทกําลังดิ้นรนสแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจจึงไปแออัดยัดเยียดกันอยู่ตรงในแหล่งสลัมและในวัดของกรุงเทพทุกๆวัดเต็มไปด้วยคนบ้านนอกที่เรียกว่าแหล่งสลัมอีกแบบหนึ่งสลัมเพื่อการดิ้นรนในทางการศึกษา เด็กหนุ่มหนุมหรือผระหนุ่มเล่นน้ยจากภาคอีสานก็ดีจากบ้านนอกก็ดีกำลังหลายเข้าที่กรุงเทพทั้งหมดนั้นเพื่อหาโอกาสการศึกษาพระรัฐบาลยังไม่สามารถที่จะจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึงกันในชนบทและพร้อมกันนั้นระบบเศรษฐกิจโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปเอออาจแเจียดกันอยู่ที่กรุงเทพเออยู่ที่ภาคกลางเออะไรต่างๆในทางภาคอีสานก็หลั่งไหลกันไปนู่น หลังแรกก็ไปทางานก็ปล่อยให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่ที่แก่เท่าเฝ้าบ้านเฝ้าช่องเลี้ยงงูเลี้ยงควายเฝ้าไล่เฝ้านาความคิดความหาความเข้าใจประสบการณ์ที่ผ่านพบพน ล, ละอันกันในขณะที่ ล, กลูกหลานหนุ่มสาวทั้งหลายเข้าไปทางานทาการอยู่ในกรุงเทพเห็นไฟแสงสีเห็ น, หนความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลต่างๆข้างโ น, น้นสี่งยั่ยน ทางจิตใจทางปภาษาททําให้เด็กนี้คิดใจใ่ไฟสูงยากได้ยากมีอยากเป็นพ่อกลับมาบ้านเขาก็นั่งเบิร์มองความคิดที่จะกลับเข้ามาสร้างสรคนสังคมชนบทของตนเองกลับไม่มีมันก็เลยสวนทางกันเดวนี่กําลังแกพูดกันไม่รู้เรื่องระหว่างพ่อแม่กับลูกเต้าทั้งหลายพู้กันคนละภาษาคนหนึ่งผู้ภาษาในเมืององีกคนหนึ่งผู้ภาษาบ้านนอกความคิดความอ่านของพ่อของแม่นไปอีกทางความคิดความอ่านของลูกที่ไปสู่หางกรุงเทพ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 กายเป็นคน่าอีสานนี่แหละที่ไปจมน้ําทะเลตายลงเรือตายอะไรตายเนี่เนาะบางแห่งหนาเข้ายิางกว่านั้นนะเอาคนอีสานไปลงลับลงเรืออะไรหาปูหาปลาประมงเนี่ยรอมันเป็นเดือนเป็นเดือนกว่าจะมีเงินมีทองกลับบ้านแต่เสร็จแล้วสิ่งยืดยวงมองมเมาเขามันมีเยอะบางทีเท่าแก่บางคนมียสองถูกยิงสอเปนีลงไปถึงเรือเลยไปให้กําลังใจกาลังใจเงินทองหมดกันในนั้นเงินเดือนออกก็หมดอยู่ที่ พวกหญิงนั่นมันดูที่เรายา่าหน้านัา่งกลับมาบ้านไม่มีอะไรพระมานั่งเมามองที่จะคิด ท, า, ทางไปทํางานทางภ า, างทางกรุงเทพโรงงานอุตสาหกรรมไปรงเรือไปดูแหล่เรือความืองเอ้ยอะไรต่างๆล้มหายตายไปเป็นเบื่อที่พายุเกยถลอมนั้นบอกได้เลย ว, ว่าคือคนภาคอีสานมากที่สุดที่หล่นไปในความจนก็จนลงจนลง แต่คนร่ํารวยปีที่แล้วอาจจะรวยได้กําไรประมาณร้อยล้านแต่ปีนี้ที่เรียกว่าเป็นนิกอาจจะขึ้นเป็นห้าร้อยล้านเลยว่าประเมินกันด้วยราคาของกำไรนั้นแน่นอนคนที่ร่ํารวยเศรษฐีทั้งหลายก็ดียิ่งถ้าคณะรัฐบาลเนี่ยเต็มไปด้วยบุคคลที่เป็นนักเศรษฐกิจก็มุ่งไปที่ทางเศรษฐีคนร่ํารวยมันจะมีมากคือรวยมากแต่ไม่มีคนคนร่ํารวยมีหลายคนก็คนนักธุระกู้นั่นแหละที่ยังมากขึ้นได้ยา ลำ่ำรวยมากเกินแต่ค้นยากจนเป็นหนี้เป็นสินจะมากขึ้นทั้งๆได้พ้น ผ, ผิดท้องถิ่นกเกษตรอะไรต่างๆดีมากข่าวปลาอาหารใช้ได้ลฟ้าก็ตกพอจะ ท, ทําไร่ทํานาได้เง้นได้ทองกันจบแต่ว่าความต้องการมันมีมากกว่าสิ่งที่ได้เรียกว่าอ่าดีมานมันท่วมซัพพลาย ง, ง่ายๆดีมานมันท่วมซัพพลายในมาเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพราะบุคคลเหล่านี้ได้รับการปลุกเราทางวัตถุนิยม ตามมันก็เห็นภาพในนั้งในโทรทัศน์ในละครแล้วก็เห็นของจริงอยู่ในกรุงเทพในสังคมเมืองร้วนกลับมาบ้านนอกมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันคิดอยากได้มีเงินเท่าไหร่รมันก็ระดมทุ่มเทลงไปซื้อแฟชั่นต่า ง, ง, งๆอะไรโอ้อคนบ้านนอกอยากมีรถมีเรืออยากมีโทรทัศน์มีพัดลมตู้เย็นการบริโภคคือบริโภคทางวัตถุที่เรียกว่า consumer consumer เนี่ย s ซ c i e t y สังคมบริโภค โดยคอนโซมเมอร์มทิเลียนคือบริโภคทางวัตถุมากขึ้นมากเกินกว่าที่ไดมากินทางปากไปไม่พอมันจะกินทางตากินทางหูกินทา ง, งจมูกปากก็กินข้าวไปตาก็จะดูโทรทัศน์รายการดีๆไปหูก็จะฟังเพลงสเตอริโอดีๆไปจมูกก็จะต้องดมกินอาหารที่ห้อม้วน นเน่ในตู้เย็นในบ้านในช่องเรามีสเปรย์ฉีดเย็นเ ย, ย็นหอมหอมอะไรตาร่างๆน้ําหอมขวดและเป็นพันเป็นหมื่นซื้อมาเศรษฐีคนรวยเซียวมีเลดได้อ่านพบหนังสือพิมพ์บาทน้ําหอมชื่อดังเข้ามาในเมืองไทยขวดและสามเหมือนบาทคนยิงคุณคนายทั้งหลายซื้อมาใช้ใช้ดูขวดและสามือดียอดเดียวเดีย ว, ว, วซื้อข้าวได้เป็นกระสอบสำหรับคนยากจนอันนี้แหละที่เรียกว่าให้เงินไหหน่อยบอ่เต็ม คนรวยรวยมากลน้นแผนดินแต่คนยากจนนี่จะว่าอย่างไงจนกันจริงิมันไม่มีอะไรจะอยู่จะกินเป็นหนี้เป็นสินกันมากมายกายกองทั้งหมดนั่นแหละที่เราหหยใหญ่ล้นให้หน่อยบมเต็มตามปกติแล้วในถ้าจะว่าไปธรรมชาติทั้งหลายมีสิ่งของทั้งหมดไว้ในโลกเพียงพอที่จะให้คนเราเนี่ย อยู่กันได้อย่างมั่งมีสีสุขแบ่งกันอยู่กันกินคนรวยม า, มากๆแล้มาแบ่งกันกันกบคนจนคือไม่เอาเปรียกเราไม่ท้องท้ามาแบ่งก็ได้ไม่เอาเปียดไม่ขูดไม่รีดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะพออยู่พอ ก, กินในโลกนี้ธรรมชาติมีไว้พร้อมเพียงสําหรับทุกๆคนแต่เดี๋ยวนี้คนรวยมันกอบโกยมากจนเกินไปฝากธนาคารเมืองไทยไม่พอเราบินไปฝากธนาคารเมืองนอก ในที่สุดคนรวยก็ไปมีความสุขเหมือนกันคนจนก็ไปมีความสุขเหมือนกันคนรวยก็เป็นเปรตตดแอรคือหิวกระหายหรียกวิาวกมานนี่ก็เปรตเปรตอยู่บนวิมานในห้องแทรดังที่ในถ้าไตาปีดกเปรตตวัตถุเรียกวเวมานนี่ก็บเปรตเปรตที่อยู่บนวิมานได้มากเท่าไรไม่พอยอยากจะตายมาเกิดใหม่ให้ให้ทําบุญดีมากๆเพื่อจะได้รวย ขึ้นมากยิ่งกว่าเก่าความจริงนั่นจะเป็นวิบมาลนี้กระเปิดอยู่ในเนื้อในตัวในเกณฑ์ในใจเทมีมางมากแล้วก็หวากลัวเพราะหม่ไม่ทราบไปโกงใครมาไปเอารักเอาเปรียบใครมาโกงทั้งทางตรงทั้งทา ง, งอ้อมทั้ง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 ก็เลยจ้างมือปืนแห่เป็นขยงขยสงเรียกว่าเป็นอสุรตายติดแออสุระแปลว่าไม่กล้าฮันขีคาดวาดัวตายยมูเราที่มีค่าวาดปั้วก็เลยติดแอไปไหนจ้างมือปืนเป็นขยสงถึงขนาดนั้นยังไม่ไหวถูกยิงตายวางและเบิดกันตายก็เลยตายติดแออีกเหมือนกัน ทั้งหมดนี้เรียกว่าตกนรกติดแอร์เป็นเปดติดแอร์ตกนรกติดแอร์อสุรกายติดแอร์โง่จะเป็นทุกข์เป็นอามเป็นเนรชาตติดแอร์ในขาพของมนุษย์เรยะมนุษย์สตรีชาโนมนุษสเปโตมนุษอสุรกายโยมนุษย์เนรายโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเนรชาตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นอสุรกายตัวเป็นมนุษย์จิตใจตกนรกทั้งนั้นที่เรารู้เว้มันตกนรกติดแอร์กอทักนี่ที่เรียกว่าหายเงยหล่นหายหน่อยบ่อเต็ม เพราะความโลภเท่มีคนที่เต็มไปด้ยวยความชั่รายขาวความดีขาวความเมตตาปานี้มันก็เพีย้ยนไปแล้วคนที่โง่เโง่กันลงไปอย่างบ้านนอกบ้านนาทั้งหลายเนี่ยทำนาได้ข่าวได้ปาาลาอาหารมาทำบุญสุธรหอทานกันยกใดญแต่สิ่งที่เป็นบุญอันนิดเดียวจะแก่ข้าวแก่ผู้ล้มหายตายไปตาทีข้าควายไปตัวหนึ่งราคาห้าพันหกพันจ้างนั้นมาอีกหนึ่งจอ โอ้ยราคาถึงสองพันมพันหลังจากนั้นก็ซื้อเหล้ามาเลี้ยงกันกินอิม่มแล้วรากออกอาเจียนออกมากินไม่เสร็จแล้วเอาไปทำบุญ ต่างซื้อกองบุญมาทำบุญรถเทราพิเศษฮดสงให้แก่พระดีไปดีพระต่อไปขายต่ออีกซื้อโทรทลอทบัอาไปซื้อเลขบัตรไม่รู้จะเป็นบุญตรงไหนชาวอีสานเราทำบุญกันอย่างนี้เหมือนเลยชิปพายไวบอดเอาบุญพระเวทชีดึงข่าควายเป็นสิบตัวจา่างนังจา้างมอลำโมูซื้อเหลากินสามสิบสีบส่สิบเทถ้าอย่างนี้หมู่บ้านร้อยหรือสองร้อยครอบครัวชิดแล้วเงินจะต้องออกจากบ้านของตนเองเนี่ย เป็นสิ้นแสนในบุญพเวกครั้งหนึ่งบุญกระถินครั้งหนึ่งซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทีนี้ถ้าว่าจะคิดว่าการทำบุญชนิดนี้เนี่ยลองทำมามให้มันสนุกดูเอาเงินจำนวนที่ซื้อควายมาค่ากินซื้อเหล้ามากินจั่งนั้นจับมอลั ม, มาดูนึ่นเลิกมันเอามารวมกันแล้วามาตั้งเป็นสาวกหมู่บ้านนานหนึ่งหนึนี่เราต้องเสียงเงินออกจากบ้านเนี่ย เป็นแสนเนี่ยลองคิดดูท่าบุ้นเพเวอรทีเงนินเสียฟรีไปเนี่มีนําซ้ำยังเป็นโครคภัยไข้เจ็บเพราะเมาเหล้าเมาย า, า, า, าขาดตีบีบอยเขา่าโคกเข่าตารางกันคอหักตายเพราะขี่รถเมามอเตอร์ไซค์ชิ่งเหล่าเนี้เราเอาเงินจํานวนเนีย่ยออกมารวมกันแล้วอามาตั้งเป็นสหกรณ์หมู่บ้านซื้อ ข, ของมาแล้วก็มาค้ายกันเองตั้งกรรมการขึ้นเอารอาค า, าถูกๆกันไม่ต้องเอากําไรมากมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรียกว่าสร้าง ความเปลี่ยนแปลงในสังคมของตอนเองแล้ะช่วยเหลือตอนเองในสังคมตนเองได้เดี๋ยวนี้เราต้องไปซื้อของกับพวกเศรษฐีคนร่ารวยทั้งหลายเบางคนที่รวยมันก็รวยขึ้นเมื่อขึ้นเนี่หายไงมันก็จะล้นไปเรื่อยหายหน่อยก็บอเต็มเขาซื้อมาสมมติว่าห้าบาทค่ขาขนส่งอีกบาทหนึ่งจากกรุงเทพจากลงมานมาก็าเป็นหกบาทค่าภาษีที่ต้องเสียให้ละฐห้าสิบตามเป็นหกบาทห้าสิเสร็จแล้วเขามาขายแล้วมันสักสิบาทเนี่ยไปยังไงสิบบาท เอากำไรไปแล้วสามารถห้าสิบคิดค่าค้นสงคิดค่าภาษีที่เขาจะต้องเสียให้รับคิดค่า อะไรต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยยังมาบวกกำไรเพิ่มเข้าไปเราตายลูกเดียวมีจะแบกแบกทั้งค่าคนตรงแบกทั้งค่าภาษีถึงคนที่เขาขายเขาก็ลงทุนซื้อมาแล้วเอากําไรทุกสิ่งทุกอย่างนะเขาเอามากมากด้วยเพิ่มทั้งค่าคนตรงค่าภาษีส่วนลดนอะไรเขาเขาซื้อมากเขายังมีส่วนลดจากมีฟัคเอรี่จากโรงงานของเขาเนี่ยทอเหตุ น, นั้นใหใหญ่หล่นหาหน่อยบอเต็มหาใหญ่เอาหมดทุกอย่างอ่าภาษีเอาหัก มาเป็นกำไรด้วยค่าคอนทรงหักมาเพิ่มเป็นราคาขายพวกเราไอ้หายน้อยเนี่ก็ซื้อไปเธอขายข้าวไปซื้อค้ายปอไปซื้อค้ายมันไปซื้ออย่าลองคิดดูอ่าพอขายมันใหม่ๆหมขายข้าวใหม่ๆได้ใหม่ๆเอาหนังมาขายอ่าผู้เด็กสิบาทเด็กหาบาทผู้ใหญ่สิบาทคนที่เอาหนังมาขายมาล่อลวงเอาเงินของเรานั่นไม่ใจ่ใครไม่ใช่คนยากคนจนเจ้าของบริการเหล่านี้มีแต่คนร่ำรวยไหายใหญ่มันก็เลยล้นไปเลยหายหน้อยก็ขาดแขนบ่อเต็ม ในหนังในละครนั้นมันสอนอะไรกันหลากหลายรู้ไหมทะเลาะกันมันก็แก้ผ้าเข้าไปกอดกันจู ก, กันถ่าช้างกันก็ชักปืนกันไปไล่ยิงกันฆ่ากันทั้งหมดนั้นมันส่งเสริมกิเลสโลภโทสะโมหะสังสมอบรมแต่สิ่งเหล่านี้เราก็เลยอยากจะเป็นอย่างนี้้าวรุ่นใจแต่สาวใหญ่ใจถึงแม่หมาใจต่ำเกิดมีขึ้นผู้หญิงผัวเพื่อาขายเนื้อขายตัวเล่นผายเล่นให้โลภผู้หญิงเอาแล้วเสีดังที่ต่ามาแล้ว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 มันก็เลยบูชาอาบายามุบอย่ากรวยทางรัดซื้อเหล็กซื้ อ, อหัยซื้อไม้ทุกก้อแหล่มทานพ น, นันเหล่มทานพนันเอาทางตรงไม่ได้ก็เอาทางอ้อมหัวจุ่มใส่กันทั้งวันแบบมีแต่จ้องจะกินตับกินไตกินไส้กินทุงกันไม่มีใครที่จะรักกันจริงในวงการทนาร น, นั้นแต่เราก็เจ้อเมื่อเล่นทั้งไม่ได้สูญเสียค่าทุนมากกับรักตกโจคอไม่มีอะไรจะกินนี่รักกันต้นกันนาตะนาข้าวกดมงกดไม้บ้านเมื่อก็ไม่ต้องเคารพกันล่ะที่นี่อืม ทำลายป่าตัดไม้อะไรต่ออะไรทำยังไงก็เอาเพื่อให้ได้มานีหรีอว่าหายใหญ่ล้นหายหน่อยบ่อเต็มมันเริ่มจากหายใหญ่คนไหม่มีสินมีทำเมื่อขาราชการใหม่มีสินใหม่มีทำก็ไปเอาเปียพ่อข้าพาสีโอเก็บภาษีอ่าส่วนพ่มไม่เก็บซ้ำซ้อนว่าเข้าไปจังนั้นมันก็มากขึ้นมากขึ้นเอาไปเอามาภาษีตามกฎหมายยังไม่พอยังมีภาษีกินบิตังตัวกันจับกันกินกันอย่างนี้เมื่อ ข้าราชการไม่มีสินทําก็เอาเปรียบพ่อค้าพ่อค้าถูกข้าราชการไม่มีสินทํามบีบขูดรีดทั้งพวกภาษสองภาษีแม้แต่แผ่นดินที่จะชี้ถึงคนโบราณทั้งวันเนะ่มันไม่มีทางกินมันก็มากินคนยากคนจนลองคิดดูสิเอาภาษีเขาเท่านี้เขาก็ไปคิดภาษีต่อสมมติว่าเขาซื้อมาห้าบาทค่าภาษีหนึ่งบาทสมมุตินะแล้วถ้าคนสองห้าสิบต่างเป็นอันว่าต้นทุนเนี่ยหกบาทห้าสิเขาซื้อมาห้าบาท ขายขนส่งอีกห้าจุดต่างค่าภาษีหนึ่งบาทสมมุติเนี่ยก็เป็นต้นทุนหกบาห้าสิเขาต้เอามาขายให้คนยากคนจนโดยไม่ต้องเอ็นดูปาณีล่ะฉันขายเลยสิบบาทนี่ยังถูงที่สุดก็ได้กาไรสาบาทห้าสิบอย่างนี้คือเรียกว่าเมื่อข้าราชการไม่มีทําก็ไปเบียดเบียนพ่อค้าเมื่อพ่อค้าไม่มีทําก็เบียดเบียนชาวไร่ชาวนาเมื่อชาวไร่ชาวน า, า, วนาได้รับการเบียดเบียนไม่ทำก็ไปเบียดๆๆๆๆเบียนธรรมชาติดินฟ้าอากาศอ่ามันแรงมันทุกข์มันยาก อะไรก็ลงไปอย่างนี้มันจะเป็นอิทัพปจิยาตาเป็นกฎอันนี้ส่งไปให้เกิดอันนี้อันนี้อัน น, น, นี้ที่พระพุทธเจ้าว่าอิทัพปจิยาตาอันนี้เป็นปัจจัยให้อันนี้อันนี้จะเกิดขึ้นอีมาสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอีมาสิงสติอีทังหน้าโหติถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งก็ไม่มีมันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตนุนั้นข้อนี้เชื่อว่าไหายไงไ ล, ลมไหายไงไลมหายหน่อยบอ่อเต็ม ก็หมายว่าคนไม่มีสิ่งมีธรรมคนรวยจะเป็นไม่เป็นเศรษฐีจะุูดมันจะเป็นนายทุนหน้าเลือดเอาเปรียบคนจนจนหายไม่รอดนิกลงไปกาําไรนี่ปีนี้พวกเศรษฐีนายทุนนังไลยมีกําไรเป็นสองสองรอยเปอร์เซ็นสามรอยเปอร์เซ็นแต่คนจนทุกลงไปอีกเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นอีกเหมือนกันมันก็จากนั้เอาเปรียบกันละทีนี่มากขึ้นมากขึ้นเมื่อมันไม่มั น, มนถูกเอาระเอาเปรียบมากขึ้นมันก็รักกันป่นกันมากขึ้นอย่างนี้คนนึงก็ คนทำ ง, งานทำ ง, งานเกือบตายอีกคนหนึ่งก็ไปลามไปเลียไปส้ำ อ, ออยเจ้านายก็ขึ้นเงินเดือนสักสองพันสามพันเอ๋คนดีดีซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานขับหมองข้างพอคนนี้ไม่กินเหล้าเมายาไม่สูบูริซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานกลายเป็นแกะดํากลายเป็นบุคคลที่สังคมไม่พึงปรารถนาคนดีๆอย่างนี้อย่างข้าราชการบางคนตรงชิ้นจริงๆถูกถูกพวกข้กกกางหลเกลียดฉันถามว่าไอ้หมอนี้มันมันมันมันไม่ดีในความไม่ดีเขาเนี่ยคือ เขามีแต่ความดีไม่มีเชื้อให้ความชั่วไปเพาะอยู่ในใจเขาได้คนชั่วก็ไม่สารเสรินคนดีอย่างนี้มันก็เลยอุปมาเหมือนหน่วยหน่วยไหที่คนโบราณว่าอุปมาเหมือนไหหน่วยมือนไหน่อยบอ่อเต็มคังนนําบุค่ะมันไม่เต็มอุปมาเหมือนหหน่วยบ่เต็มคังหนําบัดวญามการไฝ่เกินวัยวิ่งแลนมันหักแสนอยากเาา ย, ายื่อเพี้ยนสักซอยหน่ายในข้าวนั่นจะมีโจรผู้ไล่สิ้นหยาบของหลวงทั้งกระซ่วเศร้าคุนมุนมีตีพุ่นโจรผู้ไล่ สิ่งญาติของหลวงเขาว่าเขาสิ่งญาติของหลวงอาจจะเป็นโจรผู้ร้ายในคาบ ข, ข่าราชการก็ได้ขอรับช้อนช่อลาบบับงหลวงเงินของเงินพันออกมาในกลายเป็นเงินผานกินกันเหมือนกับน้ำแข็งเปื่อยชหย ด, ด, ดจึงบอกว่าโจรผู้ร้ายสิ่งญาติของหลวงท่านกระท่วงเศร้าคนมุนเมื่อจีปุนคนเมืองห่อนนอนตาบอดในวยการเก็บสวยนับจแต่มือเสยห่อนห้อมถอนเขาเสสยง บ่อให้ยั่งอยู่ข้างที่ทินดินดอนทั้งอกรหน้าสวนหมวนลงบ่มีไหวผ้าสีเกือผ้าสีไหม่พยายามกัน้าฟินหอดขี่ดินบอลขี่น้ำจิ๋ให้ทรงลวงเจิงวะให้ปากว่องล่วงหลอกกินไตคือทังไทกินดีเมื่อเล่าข้าวนั่นอัศจรรย์นอรนี่กา ม, มีได้ผักข้าวโอเ้เฮ้ฟงมูไร่เล่าพี่นองฟังแล้วให้ทำห่อนเนรพ้อนว่าแต่คนโบราณนั้นว่าอย่างนี้ความฝันข้อที่แปดขอภัยความฝันข้อที่แปดได้ผ่านไป ต่อไปก็เป็นความฝันข้อที่เก้าซึ่งพ ร, ระเจ้าปเสนที่โกลสลฝันอีกอย่างเก่านะถึงภาษาบาลีบอกโบคลนีจะกข้อนี้ฝันเห็นศักฝันเห็นศัสะโบคลนีภาษาไทยของเราเรียกว่าสะโบคลานีสะดอกบวัวข้างนอกที่ริมขอบสะนี่มันเป็นท่าน้ำที่ ไสสะอาะแต่ข้างในมันขุ่นขแต่ว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นพรในคนนี้คนอโบราณอีสานบ้านเราได้เก็บเอาไว้ว่าข้อที่เขานั่นองค์พระบาททรณ์เทาสร้างประหลาดข่วงปันอัศจรรย์ในใจจังไดบ่เคยพอบขอประสโสะทำเก่าขอระย่างตัดซองในพรบัสนฝันว่าน้องบวกน้ำต่างขุนขอบใสมีทั้งมวนดอกใหม่เดือระดาดของหอมซ้อมเบื้งว่าคนหลวงเคืองต่างจนขุนบัสน ความฝันเนี่ได้แก่ฝูงคนขาเซน่าสันผูญญ้ ใ, ใหญ่ใจบอไซหลบเหลี่ยวเที่ยวสอดแต่ภายเมือโงโกงโกงโกงเอาล<น>ะเอาเปรียบทวง่ายง่ายวันเมื่อวาความฝันเนี่ได้แก่ฝูงค้นขาเซน่าสันผู้ใหญ่ใจบอไสหลบเหลี่ยวเที่ยวสอดแต่ภาเมืองทางปากนั้นเพิ่นบอกเกี่ยงเสียงตะมวนข้ามจ่าหาแต่ควา้มมาตัวเหงอกินพ่อเลี้ย นับเมื่อไก่กันแล้วคือแกวไกลมารรัฐบาลกบฏตั้งเทียงหมัดหันปีกเปลี่ยนแปลงเตียบเหมือนดังน้ำขุนต้มคุนกลางวางังขุนบ่อฟั่งความขุนมุนมีตีมากทะเลาะกันเองขุนกับขุนรัฐมนตรีกันดีคณะรัฐบาลพอดีมีโอกาสอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจวัฏฏนาที่บริหารบ้านเมืองเรียว่าขุนบ่อฟั่งข้อมขุนอยู่มุนมีตีมากญาติแต่ข้างเมืองห่อนลคร้อนข น, นบนหลวงผันใบญานิแต่เมืองเก่าห่าง ไพ่นาศศิษยศูนย์บริษัเมืองใหญ่ใหญ่จะร่างลาหลั่มทะเลาะกันเองหัลลันเราคิดดูเถอว่ารัฐสภาของเราตั้งมานห้าสิบกว่าปีแล้วคุณไม่ฟังคำคุณทะเลาะบาแวงกันอยู่นั่นยังไม่เคยครบเทอมสี่ปีสักทีนึงถ้าหากชุดนี้ครบสี่เทอมก็แม่นะว่าเป็นบุญเป็นวาสนานนะชุดคนเอกชาชาชนหาวันของเราเช่คนโบรานบอกว่า ยานแต่ค้างเมืองหอด น, นครคนบนหลวงยานแต่เมืองเก่าห่างไพน่าสีสาบศูนย์หลอกสิเกิดวุ่นเขียวคุณอลาฝนปวงประชาชนคุณที่นั่งโอข้างโอจักเม็นกำสังโอ๋ออ๋อนอศภาพไผ่ไผ่ที่ทนอยู่ไหนกินหยาจังคุ้ยว่าไฉ่ไฉ่จะมากินหญ้าได้เหมือนควายเพยังไงนี่จักเหม็นการอยากหน่วยบัอัดคว้ยก็น่านับหลาดสะดอนนอนบ่เต็มตาลับก็จนเมื่อการไต่หน่อยนึงเก็บ เอาใหม่อาหารกินสิน ต, ตอนพ้นละเมืองเดือดหอนนอนเยษดังน้ำเขาและน้ำตำถาว่ากินของอันใดมันก็มีภาสีคูโซอันคันเตี่ยงเสียงกระช่าชนหอะข้างโอ้ยจังมันอยากปากไปหลายกะหักปากบ่ได้กลัวยากแต่เพิ่นไหมข้อนี้มีความหมายหลายด้านที่ว่าฝันเห็นสะบอกขลันีไสยอยู่ในท่าน้ำริมขอบริมฝั่งขอบเนี่ย น้ำใสแต่ข้างในกับคนคนเอาง่ายๆในส่วนด้านวัตถุถ้าเราออกไปอยู่ตามบ้านนอกเคาะนะความสงบร่มเย็นความเป็นพี่เป็นน้องความเมตตาบาลีกันยังนี้เด็กๆไปอยู่ตามบ้านนอกแต่ไปอยู่เข้าไปลึกๆในป่าทางโพงวัวทางบัน่นโนนสารานเอ๋ยบัน่นบ้านนี้ย่างแดงอย่างเรียนแถบนี้ใกล้ๆโพงัวนี่แค่เพมเพิ่บึงของหลงเพร เ, เซกาเนี่ย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 ผู้ใหญ่ไม่ต่อคุณงามความดีให้แก่เด็กเด็กกรเริน ม, มาอย่างดีในที่สุดก็มาเสียหายผู้ใหญ่โว้ยกินเหล้าเมา ย, ยาสมเลเทเมาบ้านในปานในเขาใหม่มีไฟฟ้าเข้าไปเอาแบตเตอรี่ไปตั้งเอาทีวีมาตั้งในวันเสาร์วัาทิตหัวจุมใส่กันเลตมวยตู่ไปเวลาใดเห็นกินเหล้ากันอยู่อย่างนั้นโ อ, อ้เห็นแล้วสมเพศเบินาแต่เด็กๆนั้นดีมากเด็กๆ เ, เปรียบเสมือนขอบฝั่งเหมือนขอบฝั่งสักรโอมาเหมือนตรงกลางของสัต พยาประสันที่โกศลฝันว่าไม่นะ่าฝันฝันเห็นสระน้ำทางนอกนีสดใสข้างในก็ขดข น, นตอนเป็นเด็กดีงามมากเห็นพระสององค์เจ้าเคารพกราบไหว้ยำเก่งแทๆ้ๆฝุ่นตลบกบตลาด น, นั่งรถผ่านยังนั่งโคกเขากลับไหวแต่ผู้ใหญ่ไม่เอาไหนเลยทั้งหมดนี่เลยว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพงอย่างที่ที่วัดนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้กาลัง อามีเด็กมาอยู่ในวัดเยอะๆอยู่ในป่าในวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กมาสมาทานอุโบสถทศิลป์ น, นี่ยศิลป์ศิลป์แปดเด็กสมาทานศิลป์แปดโรงเรียนชั้นปสามถึงปสีป่ปหอาดมายคิดเห็นทางประเทศอินเดียเขามี for รสต์สกูลหรือว o าสกูลฟอคือโรงเรียนป่าพวกชาตศาสน า, าฮินดูาศาสนาพราหมณ์เดี๋ยวนี้เขายังรักษาที่จีที่เรียกว่าสกู for เรสต์แล้วฟอเรสต์สกูคือโรงเรียนป่าเขาเอาเด็กโต อ, อายุประมาณสิบปี อย่างนี้เข้าไปอยู่ในป่ามีครูบาอาจารย์พวกลูซี่พวกนักบวชนักพรตเป็นผู้แนะนำพัฒน์สอนอบมรมจริยามารยาทต่างๆเขาเรียกว่าโฟร์เลยสกูลโรงเรียนป่าเพื่อจะให้เด็กของเขาเป็นเด็กที่ดีซึมซาบอยู่กับธรรมชาติเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนไม่ตื่นเต้นล่องลกักบวัฒนธรรมแห่งวัตถุนิยมแลียกว่าให้เขาเกิดลักษณะที่เรียกว่าเพลนลี h วิงไฮทิงเดี๋ยวนี้ที่วัอดอาดามาเมีจํานวนมากแล้วเป็นยี่สิบแล้ว ็กตัว เ, เล็กๆนะรักพ่อแม่ไป ม, มาไม่เป็นไรพอเลิกโรงเรียนก็พากันมาแล้วพากันมาวัดวัดไปอยู่ในป่าไกลๆมาถึงมีอะไรก็กินข้าหลังจากนั้นก็อถูสาราทําสะอาดอาบน้ําอาบาผ้าพระเนรเปลี่ยนกันเป็นครูบาอาจารย์แนะนำธรรมสอนฝึกิริยามารยาชาวมาพระตื่นขึ้นเด็กก็ตื่นมาด้วยมานั่งสมาธินั่งเนย้อยเด็กมันก็นอนหลับนอนหลับก็ยังดีกว่ามันเด็กพอพระหัน ท, น, น, นทําวัดสวดมนต์ตอนตีสี่มันก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์อีก ข้าวสว่าง ม, มากอบมาทําสะอาดศาลาทําสะอาดที่อยู่อาศัยหลังจากนั้นก็กินข้าวสามเณรที่เลี้ยงบางทีพระส่วนมากจะเป็นสามเณรนึน่งข้าววุ้งข้าวปลากระป๋องไปเทศมาตรงณฑลมาเลี้ยงเด็กด้วยแล้วก็เลี้ยงพระเลี้ยงเนด้วยเด็ ก, กินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยล้างถ้วยล้างชามเตรียมอาหารใส่เป็นโต้ก็พร้อมกันมากราบมากราบเรียบร้อยแล้วก็เดินไปโรงเรียนเอาอาหารไปกินด้วยตกเย็นก็กลับมาทำนี่อย่างนี้ และการมากันคือกับมาอ่านหนังสือทําการบ้านในวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กเหล่านี้กินข้าวเวลาเดียวเหมือนกับข้ากินในกาลังอันเดียวหนุ่งเท้าของเท้าสมาทานศีลแปดแล้วก็พากันหัดทำวัดสวดมนต์สวดมนต์แปลอะไรต่างๆแล้วแต่พระเนท่านจะสอนท่าอย่างนี้เรียกว่าสกูลฟอร์เรสหรือว่าฟอร์เรสกูลโรงเรียนป่าซึ่งศาสนาพราหมศาสนาฮินดูเขายังรักษาประเพณี้ไว้อยู่อย่างนี้คือเราต้องการปูพื้นฐานให้ดีอย่างนี้เรียกว่ า, ว า, า, า, า, า, า, าขาาาายย้างนงาองก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 ท่านนักหลายลองคิดดูเดี๋ยวนี้เด็กเราจะฝึกยังไงให้บันดีมันดีได้แต่ต่อมาสักหน่อยมันก็เสียพ่อผู้ใหญ่ไม่ดีใครเป็นเจ้าของโรงงานใครเป็นเจ้าของนั่งเจ้าของละครใครเป็นเจ้าของในดิสโกทอลดิสโกเท็กซิงยวย้อมมามาวทำลายจิตใจของเด็กมีแต่ผู้ใหญ่นี่เรียกว่าข้างนอกสะนั่นข้างนอกใสแจ๋วเลยแต่ข้างในมันขุนข้นถึงคนโบราณท่านผู้ห่ิงมาข้างนอกมันสดใสข้างในมันขุนข้น ที่พระจประเที่โกศลฝันเห็นํำเป็นอย่างนี้ในบ้านในเมืองก็เหมือนกันตามบ้านนอกบ้านนะ้สงบร่มเย็นอากาศดีสบายแต่ถ้านั่งรถเข้าไปถึงเมืองเตสุขาพิบานออย่าง้เหม็นกลุ่มเลยไม่รู้เหม็นอะไรท่ออะไรมันข้นมันเยอะเองเตเทศบาลก็ยิ่งเหม็นใหญ่ รายลังคิดดูเดี๋ยวนี้ในป่าหอมในเมืองเหม็นในป่าในบ้านนอกเย็นในเมืองเร่าร้อนไปในกรุงเทพหายใจไม่อิ่มอกปังงาปะงงาได้บ่อนนี่คือป่าเนี่ยแตมาไปอยู่ไม่ได้สึกสามวันโอ้ยตายแน่ๆต้องออกมาเดี๋ยวนี้เมืองใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นก็ดีเขาได้ซื้ออากาศหายใจแล้วนะในโรงงานอินดัส tri ใหญ่ๆเนี่ยเขามีถุงอากาศให้หายใจปานดมกาวเลือไแนเดี๋เวก็จะมาอยู่ประเทศไทยหาซื้อดินซื้อยากอะไรต่างๆในเมืองไทยของเราเนี่ยทั้งหมดนั่นคืออะไร คือการที่เรียกว่าข้างนอกมันสดใยข้างในมันจะขุ่นขน้นเนี่ยความซื่อสัตย์สุจริตมีในจิตใจของคนภายนอกแต่คนในเมืองนั้นไว้ใจกันไม่ได้เลยหน้าตานั้นยิ้มแย้มแจ่มใจใจสพูดจาในอย่างนั้นนะคะอย่างนี้นะจ๊ะอย่างนั้นนะคนุณอุย้ยดีเหลือเกินปากหวานแต่ทางจิตใจนั้นไว้ใจไม่ได้ มีแต่ความที่จ้องจะเอารัดเอาเปรียบกบฏขีความเห็นซึ่งกันและกันราชการจเจ้าใหญ่นายโตทั้งหลายที่ได้ศึกษามาอย่างดีบางคนมีสินมีธรรมนาโงน่าแกวทํ า, า, า, าทยังไงน้อยจะช่วยประเทศชาติบ้านเมืองก็เลยตั้งชมรมนันขึ้นมาพยายามที่จะช่วยแต่ถึงขนาดนั้นก็ไม่เพียงพอส่วนมากยิ่งได้รับการศึกษามาดียิ่งฉลาดในการที่จะเอาเปรียบปากหวานอย่างนี้แต่เสร็จแล้วมันกินกันทั้งขึ้นทั้งลองอย่างนี้แหละความฟันอันนี้จึงบอกว่าข้อที่เก้านั้น ฟันเห็นจีระมันมีแต่ความใสข้างนอกแต่ข้างในมันขุ่นข้นที่บอว่าฟันว่าน้องบวกน้ำกลางขุ่นขอกใสมีดอกไม้เดรดดาดดวงหอมซ่อมเบริ่งว่างวันหลวงเคืองการจนขุ่นข้น ค, ความฝันหนีได้แค่คุ้นได้แค่ฟุงคุ้นขาเซนาสันปให ญ, ญ่ใจโบไซหลบเหลี่ยวเที่ยวสอดแต่ภายเมืองแถวใหญ่นายโตจิตใจอย่างหนึ่งแต่คําพูดคำจาเป็นอีกอย่า ง, ง่มันก็ชอ่อโกงขอรับชั้นชอ่อลาดบังหลวง เป็นอย่างนี้เอาละข้อนี้ก็ควรจะต้องผ่านไปเวลาของเราบีน้อยข้อที่สิบข้อที่สิบภาษาบาลีว่าป่ากังอปากั ง, ปปกงแปลว่าไม่ได้หุงทําไม่ฉุกข้อที่สิบองผาบาทแยมเจ้าฟันประหลาดเลือล้อไหลฟันเห็นฟุงคนใช้ก่อไฟหุงเขาพ่อเมื่อเตาไฟหอนพื้นท่อนเท่องหุงหม้อเขาหงเดือดกลุ่มสุมเขาใส่เตาบาดว่าเลี่ยบบนเขาล่างบนบวชสุก ล่างบอนแป ล, แปลไฟลุกจีร่อ น, นดำปีองพระมมนีเจ้าโซะละญาญตัดซองบอว่าข้องเหตุบานพ่ายหนาสีเสื่อมซูลหลกสีเกิดเดือดวุ่นเขียวคุมั่วมองค้นผู้เป็นขุนบ่ทำตามคันล่องยองหยี่จีป่นเอาแต่บุญภัยใดทำไปห้อยยางบอกว่าทางเส้นเข่าคนเถ่าบอ่อไปนะั่มพ่อเมือสังกาล่ำตนต่ำลงไปมนุษย์ในแดนดินบ่เทียง สั้นหันเก่งยิงบอย่ำเยียงหยาดเพรวโตปล่อยจมฟังอารมณ์เรื่องบวกเกินเถ่าพานหุ่นเดินปีก็เคืองข้าวหนาวห่อนเป็นน้ำสังคานขวอนเดินปีเพคือเก่าองค์พระพุทธเจ้าห้องวาเหล่ามากต่อไปหอดเดือนหาฝ่าลวงเดือนหกฝนบ่ตกห้วยห่อมปาดงพ่งออดล่อไปถึงเดือนเก่าหนาวมากฝ่าลวงมีตะลมลวงตอกปินปิวเปียงปินไป เป็นน้ำโรกของเฮาไก่ขอนเคิงศาสนาเครืองขวอนศาสนาพุธมนุษย์กวนโลกากลางวันโลกคนเฮา ห, หอนพากันซ่อมดูทอนขั้นบกคือคว่มพระองค์ว่าไก่ว่าศาสานาของพระพุทธเจ้าเฮาถวนหากสเสหนเจ้าเอ้ยอันนี่คนบวนลานั้นพูดอย่างนี้นะพืดอย่างนี้ท่านเขียนไว้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าซึ่งซึ่งในในภาษาบาลีบอกว่าปากังอปากังนั่นหมายถึงว่านะ หุงข้าวไม่สุกหุงไม่สุกคือพระชาประเสนที่ก่กสนดนฝันเห็นขนขนหน่งก่อไฟขึ้นแล้วก็หุงข้าวข้าหม้อเดียวนั่นเงานสุกสุกดิบดิบแล้วก็มีบางเกาะแฉะบางก็ไหมเลยทีนี้ไหมไปเลยดำไปปีไปเลยคนคนบบราณท่างกันเลยเล่าให้เราฟังว่าอากาศจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปคนไม่อยู่ในสิ่งในธรรม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 สั้นหันกิ่นยิงบะยำเ ย, ยงหยานคั่วโตปล่อยจมโอ้ยิงเราไม่กลัวผู้ชายเดี๋ยวนี่จะหนุ่งกังเกงทําอะไรมันเป็นผู้ชายไปหมดไม่กลัวทั้งนั้นฉันก็ทําได้ไหวเนี่ยฟังอารมณ์เรองเบาเกินเถ่าพันหัวฟุมูอากาศกัวเปลี่ยนปิ้นเวียนหัวอากาศกัวเปลี่ยนปิ้นเปลี่ยนเวียนหัน ว, วันเดือนปีเคลื่อนข้าวนาขอนเป็นน้ําสังคัน ข, อ, ขอนเดินปีบือเก่าองค์พระพุทธเจ้าเข้าวะเหล่ามากอันนี้ท่านด้พูดว่าถ้าท่านไปเปิดพระไตรปีดอกในเรื่อง ทำนิกรยโสตก็จะได้พบที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องคนไม่มีศีลมีธรรมมันสั่นสะเทือนแผ่นดินแผ่นฟ้าดินน้ำไปลมไปดูสังยุตธ์อังคุตระนีกายท่านจะได้พบท่านบอกว่าสุริยะจันทิมาปริวัตันติวิสาังพระอาทิตย์ประจำก็จะหมุนเวียนไม่สม่าเสมอสังขันขอเดินปีบวกขคือเก่าในทันวายเนี่ย ว่าตาวายันติวิสมังปริวัตตันติลมก็จะพัดไม่สา ม, า ม, ม่ำเสมอหมุนเวียนไม่สา ม, า ม, ม่าเสมอหลังจากนั้นฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี่เป็นอย่างนั้นคนเราไม่มีศิลป์มีธรรมยิ่งไปกว่านั้นไอ้คําที่เรียกว่าฝันเห็นหม้อข้าวสุกๆดิบๆ บ, บางแห่งก็ไม่บางแห่งก็แฉะเอ า, าความพอดีหายาก เดนี้ถ้าจะดูคนเราในสังคมนี่มันมีคนประเภทสุกสุขดิบดิประเภทใหม่เกลียมประเภทที่เปียกแฉะเหล่านี้ยังยังมีให้เราเห็นบางคนก็ดีดีแต่ก็มีน้อยแต่ส่วนมากมักจะเกินดีไปอย่างนี้มันจึงมีคนเปียกเปียกแฉะแฉะดิบดิบสุกสุขบางแห่งก็ไหม่เกลียม เอาใกล้ๆมาแม้แต่ในเรื่องราวของทางศาสนาของเราก็เหมือนกันเฮินมันดูพระสองฆ์องค์เจ้านักการศาสนาก็เหมือนกันมีพวกเปียกๆแฉะๆพวกไหมจนเกลี้ยงก็มีอีกขัวหนึ่งก็ดิบๆสุกๆดูอย่างหนึ่งมันดีแสนจะดีแต่อีกอย่างหนึ่งมันเสียหายพระสองฆ์องค์เจ้าของเราในบางแห่งก็มงเปียกแฉะ เปียกแช่คือวัดโอ้ยอยู่ดีมีสุขที่สุดแล้วก็หย่อนยานที่สดในประธรรมวินัยไม่สนใจนะขอให้ฉันได้อยู่ได้กินฉันเช้าเอ็นฉันเพลนอนตกเย็นมาดูนั่งดูละครโทรละทัดมันเสาร์วันอ า, าทิตย์หัวจุ่มเข้าใส่กันนั่งนะข้าวทิ้งประธรรมวินัยไม่สนใจเขาให้คนได้กราบได้ไหวมีอยู่มีกินไปวันๆหลอกลวงชาวบ้านไปอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่สุขละดิบๆสุกๆเปียกแช่อีบางแห่งก็ไม่เตรียมเลยจริงๆไม่เตรียมเลยบางแห่งก็ไปสุดตรงแข่งจนข้าง อาว ล, ลองทองรองท่าใหม่ใส่เงินทองใหม่จับพวกเนื้อพวกปลาอะไรไหมกินฉันกินมังสวิรัตหลังแกนันก็บเจอมตีกันสาดเสียเทเสียพวกอื่นเป็นยักษ์เป็นมารไปหมดทันดีคนเดียวในที่สุดมันก็ไม่ไม่อย่างนี้เรียกว่าไม่กันไปเลย แล้วก็ได้ทะเลาะ ก, กันละทีนี้เหมือนข้าวหม้อเดียวกันนั่นเนี่ศาสนาเดียวกันพวกหนึ่งคร่งจนข้างพวกหนึ่งยอนจนยานเปียกแชะไปหมดเลยพวกหนึ่งไม่พวกหนึ่งก็ดิบดิบสุกๆุขเอความพอดีพองามก็คือความสุขพอดีไม่เปียกไม่แชะ ไ, ไม่ไม่ไม่ไม่ดิดิบสุกสุขมัน ส, ส, สุขพอดีกินได้มัชชิมาปฏิปทาความถูกต้องสายกลางมันอยู่ตรงกลางนั่นเราชัางหายากเย็นกันแล้วเกิดอันนี้มันคงจะเข้ามาทางนี้ เราทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าข้อนี้มันจึงเปรียบเหมือนข้าวในหม้อดเดียวกันเนี่ยเข่าล่างบอลบอลหันสุกล่างบอนแปวไฟลุกจีล้นดั่ปิดพระท่นองค์พระพุทธมุนีเจ้าสซลญญ า, าตัดสองบอกว่าห้องเห็ดบานพ่ายหนาสีเสื่อมซูลเห็นไหมล่ะห้องเห็ดนั้นก็คือจารีตมันจะเสื่อมซูลบางแห่งไม่ไหว้เลยพระพุทธถลุอิทธินปูนสายไปตรงกราบไปตรงไหว้ไหวทําไมดอกไม้ตกเรียนไม่ต้อง เอาสิเอาไปเอามาภาษาบาลีไม่ต้องว่าภาษาไทยเราไปเลยเอาไปเอามากดไปกันเอาเองว่ากันไปเองอย่างนี้อย่างนี้แหละที่เรียกว่ามันมันมั น, มนไม่จกเลยมันดำปี้เลยที่ว่าไฟลุกกี่ร่นดำปีองค์พะโมนีเจ้าสละยันต์ัศสองบอกว่าข้องหีบบานไพ่น่ะสีเซียมสูนหลอกสีเกิดเดือดอ บ, บุ่นเคื่อนคุณมั่วมอง คนผู้เป็นคุณบอ่อหําตามคันล่องยองหยี่ตีปนเอาได้บุญไพ่ได้ทาไปห้อยยางบอกว่าท่างเส้นเข่าค้นเถ่าบอ่อไตนะ้าแหน่เกิดสัตรรมปฏิรูปเกิดขึ้นต่างกันเป็นก๊กเป็นเราเป็นโมเป็นคณะเกิดปูธุชนแข็งเมืองขึ้นมามันเคยเกิดมาซ้ําซ้อนอยู่บ่อยๆและในประเทศไทยเรายัางกบดผีบุญผีบาปที่บัน่นตะเพือกุศลเมืองอุบลราชธานีจาการเพืชพ้นของเราสมัยก่อนโน่น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 พราะเห็นนั้นอย่างไรก็ตามเราควรจะแด่รับฟังกันใดพิจารณาศึกษากันต่อไปล่อไปถึงเดือนเก่าหนาวลมหมาฝ่าหลวงมีดแล่ลมลวงตองปิวเปียงปินใบเป็นน้ำโลกของเฮาไก่เคืองขอนตักธนาผุดมนุษย์กวนโลกาโลกคนเฮาห่อนผากันซ่อมดูถ่อนขั้นบ่คือคว่ำพระองค์ ว, ว, ว่าใกล้วางศาสนากรองประพุทแต่เจ้าเฮาถวนหากสี่เห็นเจ้าเอ้ยประชันเอางั้นเรารีบๆกันหน่อยเวลามันจะไม่พอมันยังเหลืออีกต่าง หกข้อจะเอามาดูข้อที่สิบเอ็ดข้อที่สิบเอดนี้ภาษาบาลีว่าจันทนังจันทนังไม้แก่นจันข้อที่สิบเอ็นั่นพระก็ฟันเห็นทอนใหม่แก้วแก่นจันแดงของมีราค้าแพงคาสูงแสนเต๋อเขาก็เอาไปสื่อใช้กินแหลกไก่เอาจันแดงงัดไต่กระเสือสาดหน่อยๆแค้นหอยเจี่ยวขายอันนีแล้วเพิ้ลว่าผ้าหนาพุ่นไก่ขอนสาสระนาพุน มนุษย์มีโลหะเหมือนมั่วกลัวเหมือนมัววมม่วเมากลุ่มสุ่มพูดถือสินสา่างเป็นจูว่าเจ้าหัวเบาวเห็นผู้สาวเล้วเอินเสื้อนว้าดังสหายออกจากหันสงสิเป็นผู้ไล่ขายสาัตว์ธนาผุธเอาพระร้ำลงหมดจายกินสินจั่งทั้งเป็นตึกเป็นหัก้ายกินปิ่นไปเอาปรผสมพระวินัยยัดใส่กระเซือกระสาตโต้โซนผาเที่โอขายว่าสาิ่งนี้จนเวลาท่านว่าอย่างนี้จึงเป็นเหวินเห็นตอนหายขายหูพ่อพระองค์สงบอถือวินัยไผ่เมืองบ อ, อ, อ, อย่ายัน นีแต่คนผ่านกาโลกาเขี่ยวคุณศาสนาเกิดบุญศูนเสามน์ทลายสงสิเป็นผู้หายคลายศาสนากูสพัพพนูลิงเห็นนายสะอางพังหายคันว่ากายเป็นหนาศาสนาของอเฮ้งเจิงจีฟืน้นขึ้นไหมหัวสั่งยังจะฟื้นนะสุดลงไปแล้วในะยังจะฟืน้นเมื่อเมื่อเมื่อ่ศาสนาลวงเหล่ให้แววข้นลืนลังคขังนั้นแล้วคนสิได้อยู่เป็นซุกหายจากโลกค่าทุกหลกไผ่สิกไกลเหนือไพผู้ ยังแฮมเหือ่อจะเห็นทางฝ่ า, ฝาลวงขั้นจะได้ผลจากบวงเว้นหายห่างไกลฟุ้งมูม่านบะใบเมื่อหนาอยู่กระเสริมเริ่มแต่เข่าเดือนสี่ปีกุลไม่รู้ปีไหนปีกุลเดือนสี่าะงั้นไม่รู้พอสศรอ ะ, ะไรคนโบราณว่าไผ่ผมีบุญหลายจึงสิข้องค่อยเห็นนอนพุทธทั้งเดือป่าให้ภากันถือสินหาภาวนาเดือบแม้ยังจะเห็นจึงแหน่ว่ามีเว้นห่างไกลในช่วงนี้บรวัตศาสนาจะได้ตกต่ำช้า เลวสามลงมาแล้วจึงจะเกิดมีคนดีขึ้นมากอบกู้พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองที่ฟันเห็นแก่นกันแดงคือของเป็นราคาแพงที่สุดเอามาใส่ใส่ตะกร้าไปเที่ยวขายแก่นกันซันเดิลวูดราคาเป็นกิโลละสองสามหมื่นเมืองนอกที่เขาซื้อกันนะนะอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่ามนุษย์เต็มด้วยความโลภพระทรงองค์เจ้าจะทําตัวเองเลวสาม จะมีลูกมีเมียจะเล่นหัวยอกเอินกับสีกาดังที่เราจะเห็นสามีนั้นสามีนี้ดังออกมานอกจากนั้นก็หลอกลวงเป็นมารป่นสาธสนะวะอะไรล่ะเครื่องลงเครื่องลาดอะไรมีให้เราเห็นหลังจากนั้ น, นเขาจะเอาธรรมะเนี่ไปแลกจ่ายขายกินอาตมาเคยได้ยินบ่อยๆนะบางครั้งบอกโอ้ยอาจารย์สมภพเนี่ยไปนิมนต์ท่านใหม่มาอย่างน้อยต้องสามพันเคยได้ยินครูบาอาจารย์บางแห่ง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 จะตายแท้แทยังยกคอนั่งเกิดมาเทศเอกว่าอามันตายามิโวภิคเวปฏิเวทะยามิโวภิคเวก็จะมายาทรรมาสั่งขาราประมาเทนะสัมปาเทหิเนี่ยเราขอเตือนเธอตั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายสังขารทั้งหลายมีความเสือนไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมนี่เป็นวาจาเครื่องคำสอนของเราในครั้งสุดท้ายจนเทศจนตายจะไม่ได้กันเทศสักบาท ทำไมเราจะต้องไปเทศเอาแต่กันเทศกันเทศนี่เข้าใจผิดคิดว่าโอ้ยอาจารย์สมงพนี่จะต้องสามพันขึ้นไปเคยมีที่ไหนพระสงฆ์องค์เจ้าที่แท้จริงไม่ต้องมาจ้างทันดอขอให้ท่านมีเว ล, เวลาแต่อย่ามาแย่งเวลาไปจากวัดสันหมดนะะอันนี้ไม่ฟังเสียงเลยวันไหนก็จะเอา ต้องเห็นใจศาสนานั่นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมวลต่ประเทศสอนชาวบ้านพระสงองค์เจ้าอยู่ในวัดขาดความอบอุ่นว่าเวเดียวได้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ไม่ได้ใกล้ชิดนี่มันเสียหายหากบ่มันสิผ้าต้นตุ่มตายก็อยากจะกราบแหละอยากจะกราบลงกลางแทบเท้าปลายตีนนู่นแหละขอร้องวันที1่1ถึงวันที่เจนั้นไม่อยากให้นิมนต์ไปไหนเลยอยากจะให้ได้อยู่ที่วัดแต่อบรมพระเนรแต่คน้นคว้าพระธรรมวินัยใตย้ปีดก แล้วก็ได้ทําสมาธิภาวนาแบ่งเวลาให้บ้างอย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากขอให้เข้าใจว่าไม่จะไปเทศเอากันเท ศ, น, เทศนั่เทอมบังก่อนไปเทศในเมืองเลยเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวยกขันไปหาแพรเทศขอร้องว่ามาให้ไม่ได้มาเอาทําลายสมาธิผูกฟังผู้เทศเสียงเงินเสียงทองติ้ ง, ง, งกันติ้งกันนั่งฟังเสีดีกันเทศที่ดีที่สุดคือตั้งใจฟังด้วยความสงบรำงพินิพิ จ, จรารณาไปตาม ่ิฉะนั้นเราจะได้ขายาศาสนากันกินดังที่ฟันเห็นเอาแก่นจันแดงใส่ตะก้าไปเที่ยวขายนี่นเดลยวหินแหกลับเกิดเป็นนวยแกวพิลาเข็มขาสีแพ่งจวงจันขวค ข, ข้องหอมมีคาน่นเที่ยวสซกาซาคือเบี่ยเที่ยวขายมันใช้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าสงสิเป็นผู้หายขายศาสนาพุดเอาประธรรมลงหงุดกายกินสินจ่างตักเป็นตึกเป็นห่างกลายกินปิ่นไปเอาประโสะพระวินัยหยัดใส่กระเซาะกระซาโต้ส้นผ่าที่ยวขายเดี๋ยวนี้คนต้องการเทปมากดันซื้อเทปไม่ทันดอกแล้วอยากเข้าใจ่าที่นี่ขายเทปนะถ้าท่านไปซื้อในตลาดเทปเฉยๆนี่ไม่มีอะไรเนี่ยราคายี่สิบาทยี่สิบสองบาทอย่างเทป พ, พวกปอนป่าราคา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 ไม่ได้ทำเป็นเชิงผ่านนิจแต่ทำเป็นเพื่อการเผยแพ่พุทธศา ส, สนาท่านทั้งหลายลองคิดดูกอให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าหาเครื่องมันทังไปก็อาศัยจิตใจผู้ที่มีบุญนั่นแหละจะเป็นผู้ช่วยส่งเสริมจะมีท่านที่เข้าอกเข้าใจซื้อเครื่องน้อยน้อยมาให้ถ่ายอะไรอย่างนี้ก็น่าอนุโมทนาสาธุ ก, การถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ทันพวกอารชีทั้งหลายโฆษณากรมครมกรมหลอกกินตับกินไ ต, นตชาวบ้าน เดี๋ยวก็เอ า, าศาสนาเนี่ยมาบังหน้าขายหลกประคำขายดอกไมถ้ถกเทียนไปทัวนิพนธ์เสริมนเสน่เสริมมงคลตัดกรรำตัดเว้นนั่นเอง <ใช S 1> เอา<ไ> ป, ปรทําลงหมดจ่ายกินถึงจางตั้งเป็นดึกเป็นหาขายกินปิ้นไปเอาประโสรพระวินัยเงยใส่กระเ ส, ะส่อกระซาโตโ้โซนผ่าเที่ยวขายยัง้งจังไม่เห็นตอนหายขายโหบพ่อพระองค์สงบถือวินัยภัยเมืองวายมยามมีแต่ขนผ่านกาโลกาเขียวคุณาศาสนาเกิดบุ่นซูนเสามุลทลายสงจะเป็นผู้หายขายศาสนากูทัญูลิงเห็นนายสางทางห้างว่าทัน เดี๋ยนี่ขายหุกพูไปก่อนแล้วนะเนี่ยแต่ก่อนเรายังไม่เคยมีพระพุทธรูปขายเดียวนี่ไปเที่ยวขายพระพุทธรูปอย่างไม่พอขายศาสแหน่าขายศาสนากินขายน้โมกินแหลวขายโตน้ําอีกขายโต้หลอมาเป็นเลี้ยนเป็นอะไรอ้าวขายกันบูชากันแพงๆโอ้ยทีละขนาดสมเพทเวทนาอีกเหมือนกันที่อาดามาเนี่ยเคยเค ย, เคยทํารูปถ่ายของตนเองไว้นะไม่ใช่ขายเอาไว้พอเราเราไปจ้างเขาทํามา เพื่อบางคนมั น, ม, นมันมีปัญหาหลองอยู่เลยอยู่นี่มีจดหมายเขียนมาแล้วเขียนมาเชิงชูเชิงสาวก็มีซึ่งไม่เคยเพบเคยเห็นไม่รู้มาจากไหนนู่นมาจากชายภูมิบุรีลำเอ้ยบอกอย่าลืมนะคําพูดกันที่ที่เนี่ยแม่งแม้คาพูดนี้ก็ยังลืมซะแล้วอย่าพูดอย่าลืมนะคําพูดกันอยู่ที่ปราสาทพนมลุงว่างนันตอนที่จะลงจากรถจําได้ไหมหลวงพี่พูดอะไร สงสัยจะต้องมีคนเอาเอาชื่อไปขายเสีแล้วว่าฉันนี่แหละคืออาจารย์สมภพมีจดหมายมาบ่อยๆบางทีก็บอกคนคนขับรถ <ลด S 1> เ้าเคยบอกว่าท่านเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มีอย่างโน้นอย่างนี้จริงไหมอย่าอนะําเนอะเน่เมื่อกับเรานี่มีรถมีเรือเห็นไหมมันสับสนเหลือเกินอาดามาก็เลยถ่ายรูปต น, นเองไว้เพื่อว่าใครที่จะอยากจะรู้จักแล้วก็กลัวจะลืมนะรูปหนึ่งที่เขาเขาเอามาเป็นรูปถ่ายปกอกแผ็งสามสิบบาทแล้วก็ให้แก่กระทุนนั้นน่ะ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 ออกมาเป็นปั๊มออกมาเป็นเหรียญเป็นเลินอาแล้วที่เนี้ยหลุดโ น, น้นรุ่นนี้ขึ้นมานี่มันจะยุ่งไม่ใช่พูดเอาเองนะเนี่ยมีในสนูตรในธรรมคนโบราณท่านเขียนเอาไว้ที่บอกว่าสงบอถือวินัยภัเมืออย่างบอยมยยากมีแต่คนผ่านกาลลกกายเขียวคุณาศาสนาเกิดบุญน่วนสอบมุนตะายงสงจะเป็นผู้หายใช้าาศาสนากูสปัญญูลิ่งเห็นในสะอานทางไข่ขั้นว่ากายไปหน า, าศาสนาของเฮาจังสีฝืนขึ้นไหมาศาสนา ที่ที่ที่ลวงเหลให้แววขึ้นเลนหลัง ม, มา้ความว่าเมื่อมันเสริมแล้วจะมีคนมากอบกู้ขึ้นมามีคนกล้าขึ้นมาคนดีแห่งกรุงศรียุธยาผ่านไปคนกล้าแห่งรัตนกโกสินทร์ูกจริงทําจริงขึ้นมาตายแล้วก็เสามีแห่ง พูดความจริงขึ้นมาอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีอันใดงามคอยพูดคอยจากันขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะมีคนเห็นอกเห็นใจกันมาเข้าอกเข้าใจก็จะมาช่วยกันคั้งนั้นแล้วคนสิจดีอยู่เป็นสุขหายจากโลค่าทุกโลกไข้สิกไกลเหนือไผผยปูนย่งแหมเหนื่อยเสียนทางฝา่าหลวง <c oughs> คนเจดีพ้นจากบ่วงเว้นหายห่านไตลฟูงมุม่านบาปใยเมื่อหนาอยู่กระเสริม เริ่มแต่เข่าเดือนสี่ปีกุนไพรผู้มีบุญหลายจังสียของค่อยเห็นนอนผุดทั้งเดือป่าให้เจ้าผ้ากันถือสินหาผ้าวันหน้าเดือแม่ยั่งเสียนเพียงแค่ผู้มีเวรห่างไกล ว, ว่าทันเนี่ยเอาละพานไปเวลามันจะหมดแล้วต่อไปข้อสิบสองอยา่างอีกโอ้ยอยากหล่ข้อนะอยังแต่ห่าขอบข้อที่สองนั่นพญาใหญ่ปัปเสนสร้างฟันเห็นนิมิตเหมือนอนอนตอนเสารฟันเห็นหมากนําเต่าล่นจม ลงสมุดใหญ่เลยบลัยลองขืนจมผืนหลดบอ่อฟูซิบสามขอ้อ1ิบสามข้ออีกข้อหนึ่งนั่นฟันวาหินอยู่น้มก่อนใหญ่มันฟูเบิงมันฟูในของลองลองลงในน้มลองลงไปไตอุปมาไม่สองข้อสมกันเป็นข้อหนึ่งหมากนำเต่าของมันฟูผัดเราจมลงผืนบาดวาหินใหญ่ฟ่งล้อยน้มดังสาโน เนี่ยพงผุทโท้เข้าแปลสั่งมาจาาต่างการจักมาภ่ายหนาคนพวกพรลาลสิดลขึ้นเป็นใหญ่ฟุ้งมืคนบาปใบสิเป็นเจ้าหนังเมืองคนผู้โลขาวเรื่องไม่โจดข้องรรมกรรมสิมีมาถึงสิตำล่องเป็นหน่อยาศาสนากูข่อยถอยไปไก่สิเคิงเขาไปถึงวางนั่นสิหันปิ่นเปลี่ยนแปลง เมนบ่าคุณผู้หน่อยสิเป็นใหญ่มีหยดปรากฏในแดนดินทินท่อนและเนตตัให้คอยฟังดูทอนขั้นบนจิงคือจังความเป็นว่าใกล้ระหว่างสัตวนะของพระพุทธเจ้าเข้าถ่วนขวัญกาเสียนอันนี้ข้อนี้ข้ อ, ขอที่สิบสิบสองสิบสามมันตรงกันคือมันมันมันกลับกันได้หว่า หินหมากน้าเต่าหน่วยน่อยหน่วยแหงเนี่ยมันอยู่บนบกตับเกิดเป็นคลองนักจุ่มจม ล, ล่องเพลิดเสรากระดานหินนักหมืน่นกับสิลล้อยล่องหนักฟูขึ้นจังสนโน่พ่อซีสอยซีเป็น ย, ย่อยหักยองให้จะกับจองขึ้นแถมสอ น, สอนตรงโปง่งใบม้าจริงจอกซีดได้ขึ้นนั่งไปขํามคุ้มโยธาภัยพ่นทั้งขายฮงคํำผายเวหาเฮินเมกซีมน บ, นบหนอบใบเป็นแหล่งให้แกกาตอนนี้พูดให้มันเร็วหน่อยกลัวเวลามันจะหมดสะก่อนคนดี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 ภาษาอังกฤษเเรียกว่านน n ่ i n g แปลว่ากลมฉลาดโตไม่ใช่วิส -dom คือปัญญาที่รอบรู้ทั้งดีทั้งฉลาดด้วยไม่โกงใครช่วยเหลือกันแต่อย่างนี้แล้นี่มันจะมีพวกนี้จึงเรียกว่าน้ำเต้าเฟื่องน้ำเต้าเนี่ยจะจมเห็นเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมคนภากลางเขาเราว่าอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้อาละเราผ่านไปข้อนี้ท่านนรัยก็พอจะมองรู้มองเห็นกันจบในข้อที่สิบสี่ คนึ่งนัง่นฟันวะเอียนอยู่หนำําแนงนายบังตมนี้ไปชมผู้พาปลาดอนนวลหลีเสียงสน่หมั่นหาแขนย่อยให้แขนจองอีกอย่างหนึ่งฟันวะข้องบวกหนำนางนายบังตมฟันเห็นหมูเฮากบล่องขาพะนากบจองอางง่อข้อนบเขียดจะหน้าน้าไหวฟุ้งโมูทําท่านให้ขอเป็นสหายเสียวกลับโมขียดบักแอร์พนแสดงบอกไว้ไปหน่าให้คอยซ่อม เดีนี้ห้อมเขาไก่ขอนขึงสาตนาพุธมนุษย์ในแดนดินบ่อเทียงถ้ำพันเหลี่ยมนี่แต่การคับเขียวสิงกันหยาบไผัยคนผู้เคยเป็นใหญ่สิเด็กกับตาวหนาหม่านหน่อมต่อภัยพ่นใครกันนี้บอกพ่นหลอกเปลี่ยนเวียนหมุนผู้ใหญ่เม่ใหญ่เอ้ยซ้อมเมืองเด้อปีกุนบนคุณไพ่ซอยอันวเด็กนุมหน่อยถ้าลากาเกิดใหม่สิได็เป็นใหญ่จำเร็จการฟานฝ่าเป็นหนาใครอยากหัวเด๋นัวไว้สั้นตรงนี้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 เงือกวกลัวเก่งยนันกากังสุวรรณปริวาแยันติหลังจากนั้นห้องค้ำผ่ายเวยเหาเหินเมดนบหน่อบวายเป็นแหล่งแ ก, ะกะ่กามาเป็นบริวารให้แ ก, ะกะ่กานุสิงทําตบาบ้าไห้แม่บักดาก้มกะเสื้อโคงนบห น, น, น่อบวายขนางนเลือกหมูสาปันอันนี้ต่อมาที่ว่ากบเขียด น, น้อยประห้องอ่านของสารเทระงูเข้าผิดเนือกวกลัวเก่งยนันอันเนี้ยพูดง่ายว่าคนกลุ่มน้อย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 เคาะเขียนหน่อยพของอา่านคงสารเท็จในงูเผ่าผิดเหนื่ยกลัวเก่งยันนักปาชอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีครูบาอาจารย์ที่มีสิลมีธรรมมันของท่านก็ขี้เกียจทะเลาะขี้เกียจจะพูดกับพวกปุถุชนธรรมด า, ม, ดามีทิฏฐิมีมรณนะยอมไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ยิ่งนี้แข็งกล้าวกันมารวมตัวรวมพลังกันขึ้นไวเท็ดี้ทํำยังไงก็เลยหวาดกลัวกว่าจะเอากันลงมาได้นค่อยเหยืขึ้นคอแล้วยังไม่พอหันหลายลองคิดดูเธอเรื่องราวอย่างที่ มันเกิดมันเป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อคนไม่มีมีศีลมีธรรมที่ชัดเจนมองอะไรไม่ไม่ชัดเจนเนี่ยมีอะไรถูกใจตนเองก็เข้าเยาว์าสิ่งนั้นมันถูกต้องมันดีมันงามหาคําตอบให้แก่ตนเองไม่ได้ไปพบแหล่งคําตอบที่ถูกใจตนเองก็เลยมีแนวร่วมหนึ่งสองสามขึ้นมาก็จะตั้งเป็นกลุ่มเป็นสํานักขึ้นมาสํานักต่างๆในศาสนาพุทธนี่เกิดขึ้นมาแยกตนแยกตัวออกจาก การปกครองของเทรสมาคมก็มีการเกิดขึ้นประกาศาปกครองตนเองเป็นนิกายใหม่ขึ้นมาเลิกกันมาเอาแล้วที่นี่นิกายใหญ่ใญโดยเฉพาะทามเทรสมาคมกรมการศาสนารัฐ บ, บาลก็สั่นสะเทือนกบเขตหน่อยพระห้องอ่านข้องสารเห็นต่งูพ่อผิดเนื้อกลัวเก่งย่านหลังจากนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ มีอํานาจวาสนาบางทีก็เห็นดีเห็นงามด้วยกันเลยเข้าเป็นพับเป็นพวกก็ยิ่งมีพลังขึ้นตรงอ่างงอข้อนบเขียดจะหน้านั่มไหวผู้มูทําท่านหายเป็นขอเป็นสหายเสียวกับโูเขียดบักแอ๋เข้าหนาหักสี่เห็นแน่เห็นไหมล่ะงูทําทานงูสามเหลี่ยมซึ่งมันเก่งๆมีอํานาจวาสนาบางทีเนี่ยมีอํานาจวาสนามีอวิเศษอิทธิพนเพียงพอเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็เข้าไปร่วมหัวกันเข้าไปอย่างนี้ ที่คนโบราณบอกว่านุสิ่งทําตาบา้าไห่แม่บักดาสิกรมขา่าเสื้อโค้งนบ่บหนอบไปขนาดเนื้อมูสสามันเห็นไหมเพิ่นแสดงบอ ว, ว่วยไปหน่าให้คอยซ่อมเดนิ่ห้อมเข่าไต่ขอนเกลงศาสนาผลมนุษย์ในเดนดินบะเทียงถําหันเหลียวมีแต่การขับเกี่ยวสิ่งกันญยาดไภัยญาดความเป็นใหญ่คนผู้เคยเป็นใหญ่เสด็จครับเจ้ตาวหน่ามานหนอมต่อไผ่พ่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่ยกตนขึ้นมาเป็นผู้วิเศษแล้ว น, นี่ เก่งกล้าขึ้นมาตีความอะไรขึ้นมาแปลกันขึ้นมาเองอย่างนี้ถูกต้องอีกทางสัจจงมอค่ะมันยังอันนี้เท่านั้นถูกอันอืน่นเพชรอย่างนี้จะว่าอย่างไรอุปโลกตนเองมาเป็นพระอริยเจ้าซะแลว้วใชเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าผู้เด่นดังเป็นพระโซดาบานันสกิธาคาอนาคากันขึ้นมาได้กว่าพระ อริยาเจ้ากับชาติมาเกิดพระอรหันต์มาเกิดเอาแล้วสิทีเนี้ยยุ่งกันใหญ่แล้วซ้อมบังเดอร์ายหนาพุ่นผ้ายสอยหากจะเห็นอันวเด็กลงหน่อยท่านลกาเกิดใหม่สเสด็จมาเป็นยัยสำเร็จการฟานฝ่าเป็นหนาใครอยากหัวเด่นนองวาซ่านคนโบราณว่าเอาผ่านไปเวลาเรามีน้อยข้อที่สิบห้าฟันว่าหงเข่ากัวนอนหวมหั่นกาศาสนาโคดมลวงไปผ้ายสอยอันวฟูงสาวหน่อยสกุล น, นั่งแน่วนอ ที่ได้กม้มหน่าหม่อมงอนงอต่อผู้ใส่ในข่าวนั่นจะมีโจรผู้หายหยาดหม่อมสิ้นนางสาวสนมในปางสิแรียนน้น่มใสช่ชูเหมือนหงงูเกียย้ยวไห้อย่างนอนคว่ำสอดไก่โว้ยซ้อมไปหลายหักสี่ผอจอหนั่นต่อกุ้นมาทันผ่านไปเฉลยเรียบร้อยกว่ามันจะหมดเวลาคอที่พกฟันว่าเสือคงคุณเข่าขัวขนาแมสัตว์วกวกวฝูงงวงฟันหลัดแหลมซ้นตนไห้อันนี้ที่โบราณเพราะครับ เสื้อคงน้ำหนายหวาณะเหนือมอโมสะมันการถิงมาพ่ายหนาคนพวกมหาราชาทางประเทศใหญ่ๆซี่ได้มาย่อนหยอนั่มก่นกภผยพนแอกซี่ได้ผ่าก่นนี้จากข้อควยคือดังกลวยตันแล้วสีครังม่อนลืมม่อนคล้องนครภไผไหวบ่มิใจหยหลบลายพระเจ้าท้ายบอกไว้นี่ปื่นาศาสนาะต่อไปอีกทางหนาไก่ขอนศาสนาพุทธ คนสิอกันตายดังหินกลางแก่งแตงสินี้การขังไตข่า ง, าางคุณหน้วาวอาบบสือซ้อมเป็น้ลยนับมือพอ่อเนี่ยมหนองเขาสูวัดในข้าวนั่นซินนสิีลื่นคำสอนลูกว่ามียำเยงพ่อแม่ตนขันถ่างการสีมาผาาหนาข้องพระสถากาอสีคอยสิตำคนบอยำเ ย, ยงหยางดังผ้ากันกะดาเทียงนับแต่มืองซเสียงมดนอนแนวกระซัต เป็นพระสงฆ์กับวัตามข้องวัดแห่งพระองค์สอนไหว้นับมือไกลกันแล้วว่ามันแก้วเสดเอิญตังไห่ฟูงหมูไทยเหล้าพี่น้องเสดเอิญสั่งกันนับมือไกลไปแล้วว่ามันแก้วเสดเอิญสังไห่ฟู้งหมูไทยพี่น้องสือหัวเอิญสั่งเล่าเพราะฉันนับมือน้อหนับมือแสงมักเผาสิไก่ห่างห้ามสวนพูดถึงตรงนี้มันก็คิดถึงพี่น้องประเทศลาวขึ้นมาทันทีไง น, นะ น้ำตามันจะไหลให้ได้คิดถึงเคยไปมาหาสู่กันนี่เสร็จแล้วมันเป็นไปดังที่คนโบราณนะพวมมันก็ไกลกันได้เอิญสั่งกันเดี๋ยวนี้ข้ามไปมาหาสู่กันยังลําบากปันดุคนโบราณบอกว่านับมือไกลกันแล้วห่วมันแก้วสี่ไดเอิญสังไห้นับมือไทยปีหน่องสี่ไดเอิญสังเล่านับมือน้อนับมือแซงหมักเผาสีได้ห่างห้ามสวนชือดังดําดวนห้อมสีห่างกอไก่ต้นนับมือสนละว้นหยงเมืองกุ้งหลันหยาน้อย พ่อปานสั่างหลักใหม่ไม่หยงตั้งแต่ปลายบอยอย่กงบอกตอนหายลายอย่างล่างมันเข็นแมนว่าไพ่ไพ่กะคงสเสหนคูสุขชนทางบ้านการซื้อมาไพายหนาเทวดาองค์ใหม่ขอให้ไทพี่น้องฟังแล้วให้หำพ้อนแนถอนอันนี้คนโบราณท่านพูดเอาไว้สองข้อตอนหลังนี่ก็ขอพูดรับไปเลยเพื่อให้มันมันมันจบเรียบร้อยที่ภาษาบาลีวะ่าตะสาวกาเอลกาหนังพญาหิ หลังจากนั้นก็มีอีกคำหนึ่งว่ากาตังสวรรณาปริวารยันติแต่สาวการณ์นางเอรัการนังพยาหิหมายกว่าของคำหนบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แก่กาอีกคำหนึ่งว่าเสื้อโค้งหนบหนอบไหวข้าหน้าเนื้องูสามัญมันจะกลับกันดังที่กล่าวมาแล้วผูที่เป็นใหญ่เป็นโตประเทศที่เคยใหญ่เคยโตอาจจะเล็กลงมานิดเดียว